อันนี้เป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนเข้าถึงพระนตัตใจหรือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นสรหน้าที่พึ่งเป็นการบวชขั้นต่ำนะบวชขั้นต่ำได้เป็นอุบาสกผู้ชายก็ได้เป็นอุบาสกอุบาศิกาผู้หญิง อุบาสกอุบาสิกาผู้ใข่ต่อศาสนาผู้ปฏิบัติศาสนาปฏิบัติยังไงล่ะาศาสนาฮะฮเข้าใจไหมนี่บวชขั้นดำแล้วนะเนี่ยถ้าเจ็บไข่ได้ป่วยหรือมีผีสางคางแดงสิงสถิตยอยู่ในกายเราก็อยู่ไม่ได้นะถ้าเราน้อมใจเรา มอบกายถวายชีวิตแล้วเมื่อกี้นี่ได้ว่าแล้วนะอย่าถอนนะฮะมอบกายถวายชีวิตแล้วน ะ, อะถอนไม่ได้แม่พูดผีปีศาจหรือมีอะไรสิงสถิตเก็บไข้ได้ป่วยอยู่นิดๆหน่อยๆในร่างกายของเราก็จะหายไม่มีอะไรมาสถิตยอยู่ได้เพราะเราน้อมเอา พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้เข้าใจอย่างนี้นะสิ่งอื่นไม่มีได้เป็นเขาเรียกว่าบวชขั้นต่ำบวชแล้วนะไม่ได้แทงหัวล้นบวชใจบวชขั้นต่ำนะ ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ต่อศาสน า, ศาผู้ปฏิบัติศาสนาศาสน า, าอุบาสกก็หมายถึงผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงผู้หญิงนั่นละให้พาการเข้าใจเข้าถึงแล้วที่นี่ก็เมื่อเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้ว ก็ให้เราท่านทั้งหลายรู้จักคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาด้วยรู้จักไหมหลังเออมาเชยวก่อนว่าเคยว่าพาว่าแล้วใช่ไหมฮะอา่อาคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอยู่ห้าอย่างอา่า หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่เราเก่าปฏิญาณตนเข้าถึงเมื่อกี้นี่ล้ะได้แล้วอันนี้คุณสมบัติอันที่หนึ่งสองเป็นผู้มีศีลสามไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวสี่ ไม่ทาบุญนอกศาสนาห้าให้ทาบุญในศาสนาใช่ไหมอุบาสกนะอุบาสิกาพากันไปทาบุญนอกศาสนาไม่ใช่แล้วนะศาสนาเนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติศาสนา ปฏิบัติอะไรล่ะเหอศาสนาคืออะไรไม่รู้จักสักคนเหรอแม่สาสดโทษปัดโทษปาดโทษถึงปัจนนี้ไม่รู้จักศาสนาเลยฮะโทษโทษโทษโ ท, โทไม่ได้มาปฏิบัติศ <laughs> าสนาท่านเอาใจนั่นแหละศาสนา หมายถึงปฏิบัติใจเจ้าของปฏิบัติกายวาจาใจเจ้าของนั่นหละรวมลงไปเป็นใจปฏิบัติใจปฏิบัติใจใจนั่นแหละคือผู้รู้ใจนั่นแหละคือพุทธโธนะปฏิบัติใจเจ้าของใจนั่นแหละสั่งกายไปทําสั่งคําไปพูด จึงมีบาปมีบุญขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะฮะปฏิบัติใจเจ้าของศาสนาท่านเรียกว่าพุทธศาสนาอ่าถ้าจะพูดละเอียดลงไปก็คือมันมีพระสูตรพระวินัยพระปรมัตฐาศาสนาหรือเรียกว่าปริยัต ปฏิบัติปฏิเวทนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็นปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทหรือปริยัตยินี่ก่อนมาย่อลงเป็นพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันสูตรพระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันสูตรเหมือนกัน พระปรมัติสี่หมื่นสองพันสูตรรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สี่พันสูตรนะนี่แหละศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าท่านย่อลงมาเอกสูตรไหนก็ตามสอนกายของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีเวลามาปฏิบัติมาปฏิบัติลงแค่นี้ พระธรรมคือพระสูตรพระวินัยก็คือศีลศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจเท่านี้นะไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนี่ก็สองหมื่นเท่ากันเพราะว่าพระสูตรกับพระวินัยเท่ากันถ้าจะพูดละเอียดลงไปอีกให้เข้าใจง่ายกว่านี้อีกก็คือพระสูตร คือสูตรลงเข้ารู้อยากสูตรลมเข้ามหมย้อยฮะรู้อยากพระนสูตรไหมเราอ่ะพราะวินัยนคื่องหายใจออกง่ายไหมล่ะที่นี่เวลาปฏิบัติลงปฏิบัติเช่นนี้เมื่อปฏิบัติลมหายใจระงับดับลงก็เห็นองค์พระปรมัติคือพุทโธปรากฏขึ้นเป็นผู้โล้โล้โล้โล้ พราะพรุทธเจ้าก็ตั้งศาสนาใส่นี่แหละพุทธโธนี่แหละใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุเรียกว่าพุทธศาสนาตั้งใส่หัวใจของสัตว์ตั้งใส่ใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุรู้จักไหมล่ะฮะอะไรบ้างฮะกา ม, มาโลก รูปโลกอรูปโลกสามแดนโลกธาตุกามภพรูปภพอรูปภพกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิก็ว่าสามแดนโลกธาตุว่าพุทธาศาสนาเป็นาศาสนาของนักปราบบัณฑิตอไม่ได้อยู่ที่อื่นอตั้งาศาสนาใส่หัวใจของสัตว์ สามแดนโล ก, กธาตุนี่ศาสนาคำสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย่อลงมาพระสูต ร, ระวในพระปรามัิย่อลงมาให้เราปฏิบัติง่ายๆพระสูตรคืออะไรฮะเออพระวินัยคือพระปรามัดคือองค์พุทโธ เมื่อเราดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจแล้ับดับลงก็เห็นพุทโธขึ้นมานี่แหละเรียกว่าศาสนาศาสน า, าไม่ใช่ไม่ได้เสื่อมนะพุทโธมันมีคือเก่าแต่พุทโธทมีกิเลสมาคอบงำมาผสมจิตของเราจิตของเราจึงเศร้าหมอง ยังเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาทำให้คนไปทาผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาตัวศาสนาตัวใจยังมีอยู่เท่าเดิมใช่ไหมล่ะหรือใจไม่มีแต่ใจมันความโลภความโกรธความหลงเข้าไปประกอบจิตจิตของเราจึงเสื่อมลงศาสตร์เขาเรียกว่าศาสนาเสื่อม <c oughs> <c oughs> นี่ ปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติาศาสนาปฏิบัติอะไรเทอเนี่ยฮะรู้รื อ, ร อ, อยังอ๋อปฏิบัติใจเจ้าของอปฏิบัติกายวาจาใจปฏิบัติกายวาจาใจกายก็คือลูกใจก็คือนามกายกับใจเรียกว่า ขันห้าได้ไหมเออเนี่ยปฏิบัติขันห้านี่นะในกายในใจนี่ขันห้านี่มันต้องมีวาจาอยู่ด้วยเขาจึงเรียกใส่กันว่าปฏิบัติกายวาจาใจสามอย่างถ้าขันห้าไม่มีวาจาอยากได้ไหมละ่ะฮะโอ้ทำไมไม่ได้ ขันขันพูดไม่ได้ยังได้ไหมนั่งอยู่เนี่ยฮะอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าขันไม่บอลบูรณ์ขันไม่บอลลีบู์ขันเกิดขันใบนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติศาสนาเข้าใจนะที่นี่นะไม่รู้จักศาสนาคําสอนของพระเจ้าเรียกว่าศาสนาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน ย่อลงมาเหลืออยู่สามขันคืออะไรโอ้เจ๋งแล้วทีนะ่ไหนปฏิบัติแค่นี้กายว่าจาใจนี่แหละปฏิบัติลงนี้กายวาจาใจนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติถ้าเอากายวาใจาใจไปทำบาปเราก็ ไปตกอวัยภูมิใช่ไหมล่ะถ้าเอากายวายใจใจไปทำบุญเราก็ไปสวรรค์นิพพานได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกายวายใจใจในี่แหละคืออุปกรณ์เครื่องชช้เครื่องชายของเราเครื่องมือของเราเราใช้เครื่องมือผิดทางไปรักของเขาเป็นยังไงล่ะกะ ถ้าไปลักของเขาอ่ะจิตของเราเต้าหมองขึ้นมาทันทีเลยเจ้าของก็เป็นบาปบวักใจจิตก็เป็นบาปนี่แหละผู้ปฏิบัติศาสนารู้จักศาสนาแล้วในทีนี้เนาะแม้มาปฏิบัติทั้งหลายปีแล้วไม่รู้จักศาสนา ถ้าศาสนาหมายถึงใจท่านไม่ไปตั้งศาสนาใส่ตึกรามบ้านช่องใส่ที่อะไรตั้งใส่ที่ไหนตั้งใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุว่าพุทธโทรหรือพุทธศาสนาอ่าศาสนาที่มีปัญญาความรู้สอนให้คนฉลาด วันนี้ก็คงรู้จักศาสนาแล้วใช่ไหมหรือใครยังไม่รู้จักศาสานาปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติใจของเรานั่นแหละใจเรามันมีกิเลสเข้าไปห่อหุ้มอุ้มลมอยู่มันเข้าไปทางไหนนะทางไหนเอาไล่ไปกิเลส เคยได้ยินลุงปู่มั่นเทศไหมไม่ชะ ง, งกหกอ่ะอามันเข้าไปทางอายตนะทั้งหกนี่แหละรูปสวยสวยก็เข้าไปทางตานี่แหละรูปไม่สวยก็เข้าได้นี่แหละมันไหลเข้าไปนะลักทําให้เกิดลักเกิดชังขึ้นมาความโลภความโกรธขึ้นมานี่ได้ เรียกว่ากิเลสกิเลสก็ไหลเข้าไปทางนี้เข้าไปผสมจิตของเราเขาเรียกว่าโลกเข้าไปผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตของเราจึงเศร้าหมองไม่ผ่องใสถ้าผู้ใดสามารถเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิตได้ไม่รู้ว่าจะเรียกจิตอันนั้นว่าอะไรเรียกว่ายังไงถึงจะถูกฮะฮะ เรียกว่าอะไรเออนั่นแหละเป็นพุโทโธเออเป็นพระนิพพานเรื่องแล้วก็แล้วแต่นะถ้าไม่มีอารมณ์จิต ก, ก็ว่างเป็นธรรมชาติอยู่ไม่มีที่เกิดที่ตั้งที่ไปที่มาโลกอารมณ์ไม่่าไปสมจิตได้ดจิตจึงละความโลภความโกรธความหลงได้เข้าใจได้เทนีด้ปฏิบัติศ า, าสนาอุบาสกอุบาสิกา นะผู้ใครต่อศาสนาผู้ปฏิบัติศาสนานี่แหละไม่มีอะไรพันศาสนาทีนี้อันที่เราบวชขั้นต่ำนี้คุณสมบัติห้าอย่างนี่จะที่บายให้ฟังอีกส่วนมากประเทศแต่ไกลๆสูงๆก็เลยไม่เข้าใจพื้นฐานไม่มีหญ้าป่าคอก เค้เห็นหญ้าป่าอคอกไหมอยู่ที่หน้าอคอกวัวขอกวยัยอันงามๆอยู่เนี่ยวัวควายไม่กินดอกมันข้ามไปหญ้าป่าอคอกไม่มีใครกินเลยนะมีหญ้าปากคอกอ่ะอาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสข้อหนึ่งคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาจําให้มาได้นะหนึ่ง เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่ธรรมพระสงค์สองเป็นผู้มีศีลสามไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวสี่ไม่ทำบุญนอกศาสนาห้าทำบุญในศาสนาที่นี้จะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆพอ เพิ่มสติปัญญาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้าใจแล้วนะศรัทธาเลื่อมใสอย่างลงในไม่หวั่นไหวอย่างลงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้ใครจะมาซื้อออกไม่ให้มาเขาลบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะขายไหมละ่ะขายเขาไหม ย่างไม่ให้ไป เ, เรื่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมรสงฆ์เอกเอาไหมอย่างนั้นนะฮะอา่านี่เรียกว่าศรัท ธ, ธาอย่างลงแน่นหนามันคงเป็นมูลเป็นรากลงเอาเงินล้านเงินแสนมาซื้อไม่ให้นับถือศาสนาพุทธไม่ให้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพรสงฆ์เราเอาไหมละ่ะฮะอา่อานี่แหละศรัท ธ, ธา เชื่อว่าผู้ได้เจ้าเป็นพลังหันตัดสลูชอบด้วยพระองค์เองตัวศรัทธาตัดสลูชอบด้วยพระองค์เองนะเป็นพลังหันตัดสลูชอบด้วยพระองค์เองใกล้จากกิเลสจัดสลูชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ตัดสลูอะไรตัดสลูของจริงคืออริยสัจสี่นี่เป็นผู้มีวิชา และจลณนะเป็นเป็นผู้วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตเป็นผู้ไปดีสุขโตแล้วก็อะไรล่ะฮะโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งซึ่งโลกไม่ใช่รู้โลกที่อื่นนะรู้อย่างโลกไหมล่ะนี่โลกใบน้อยน้อยนั่งอยู่นี่แหละนะี บางทีก็เรียกว่าโลกบางทีก็เรียกว่าขันห้าอันเดียวกันดินน้าลมไฟอากาศวิญญาณดินน้าลมไฟอากาศท่านเรียกว่าโอกาสโลกเคยได้ยินไหมละ่ะโอกาสโลกฮะวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในดินน้าลมไฟอากาศเรียกว่าโลก โลกสัตว์โลกโลกกับคนอันเดียวกันไหมรู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งดินน้ำลมไฟอากาศก็สงข้อเรียกว่ารูปหรือกายวิญญาณก็เรียกว่าน้ำหรือใจรู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งซึ่งก้อนนี่เข้าใจไหมรูปกับน้ำหรือขันห่านนี่ไม่ไม่รู้ที่อื่น เป็นผู้ฝึกมนุษย์และเทวดาอย่างยอดเยี่ยมเป็นครูเป็นครูผู้ฝึกบุรุษและสตรีอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลเป็นผู้จำแนกแกกทำออกสั่งสอนสัตว์จำแนกแจกทำแจ ก, กอะไรแจกทำฮะ เขาใจทำไหมทำคืออะไรฮะอะไรนะอะไรคือทำไม่ได้ยินชัดทำทั้งหลายก็คือนั่งอยู่นี่เลยเนี่ยลูกธรรมเนี่ยนั่งอยู่นี่ใช่ไหมนามธรรมนี่แหละแจกธรรม แจกรูปทำนามธรรมให้คนดูนี่จำแนกแจกทำพุทธโธพระควาพระควาเป็นผู้จำแนกแจกทำทำทั้งหลายก็คือกายกับใจกายกับใจก็คือรูปทำนามธรรมแจกให้คนดูทำไมไม่แจกอันนี้เพราะคนมาหลงรูปทำนามธรรมหลงเจ้าของหลงตัวเองใช่ไหม หลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ใช่ไหมใช่คนแม่ละนั่งอยู่เนี่ยฮะเออเนี่ยก็หลงว่าเป็นคนเนี่ยละ <laughs> นี่ท่านจังจำเม่แกกทําออกสั่งสอนสัตว์นี่พระพุทธเจ้านะคําสอนของพระพยยเจ้าที่จำเนกแกกออกจากเนี่ยมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเขียนออกจาก ก้อนสกลกายกว้างศอกยาววานะคืบนี่ทำคําสอนของท่านเข้าใจไหมกว้างศอบไหมละ่ะเราเนี่ยฮะยาววา่าคนสูงก็ว่ า, วายาวใช่ไหมนาคืบเดียวคืบเดี่ยวคล้องนี่ละนี่พระทำคําสอนไม่ได้ออกอย่างไหนเข้าใจไหมละ่ะรูปทำนา้ำทำออกจากก้อนสะกลกายดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณ ท่านเรียกว่าก้อนสากลกายก้อนสากลไม่มีเจ้าของแจกออกให้เราดูนะจำแนกแจกทำผู้ใดนำเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นพระสงฆ์ใช่ไหมได้เป็นไหมใช่ว่าได้เป็นไหมได้เป็นเอา คำสั้นสอนของพระเจ้าก็ย่อลงมาอยู่รูปทมนามธรรมอยู่กายว า, ายใจใจนี่เองใช่ไหมล่ะเมื่อใครเอากายวาจาใจไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เปลี่ยนผระสงค์พูดย่อๆให้ฟังที่เราสวดอยู่เมื่อกี้นี่สุปฏิปโนภะควะโตสาวกสังโฆแปลว่าอย่างไงอาออสงสาวก ของพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วนั่นใช่ไหมนำโอะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีอะไรดีกายดีว่าจาดีใจดีผู้นั้นก็ได้เป็นพระสงฆ์ใช่ไหมเป็นได้ไหมเอ หรือหากจะมาเทียงอยู่ก้าเทียงไหมกายดีว า, วาจาดีใจดีนี่ง่ายไหมล่ะทนีนี้นี่แหละผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติก็จะเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีผู้นั้นก็ได้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาสังโค กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายบะเสดวาจาบะเสดก็ได้เป็นอริยะบุคคลบุคคลผู้บะเสฐนี่เรียกว่าศรัทธาศีลเท่เนี่ศีลก็ไม่อยู่ที่ใกลหรอกศีลกุศลกรรมบทชสิบศีลไม่อกี้ก็บอกแล้วศีลของอะไรฮะศีลของอะไร แน่หลงแล้วฮะพระ ส, สูตรก็คือสอนกายวาจาใ จ, ใจไม่กี้เนี่ยเข้าใจไหมศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจไม่ต้องหลับตาดอกมันไม่เข้าใจต้องเข้าใจอันนี้ซะก่อนศีลของกายคือไม่เอากายไปกระทบกระทั่งกันศีลของวาจาไม่เอาวาจาไปพูด บาตทุจริตศีลของใจไม่ให้คิดในแง่บาตทุจริตนี่ย่อลงมาอยู่นี่ศีลศีลอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบทสิบหรืออริยะกันแต่ศีลศีลที่ยินดีพอใจของพระอาิยเจ้าทั้งหลายคืออริยะกันแต่ศีลจำได้ไหม อริยกันแต่สีนสีนในอริยมรรคสัมมาวาจาวาจาชอบคื อ, อยังไงวาจาชอบอ่ะฮะวาจาฮะออนี่ไม่พูดโปรดไม่พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อเจอแล้วไหลไหลสละสัมมากัมมันโตการงานชอบ ไม่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามง่ายไหมล่ะทีนีนี่ศีลนะเนี่ ย, ส, นนยสัมมาอาชิโวเนี่ยฮะอาชีพชอบคือไม่ไปค่าขายทําการทํามาหา้จินที่ผิดศีลผิดธรรมฆ่าขายยามาของสุรายาเมา ต่างๆค่าขายชีวิตสัตว์ค่าขายยาค้าแมลงค่าขายตาไข่าขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะดักสัตว์ทุกอย่างนั่นละ่ะเข้าใจนะสัมมาอาชีโวนี่ก็เรียกว่าศีลอริยกันต์แต่ศีล น, นี่แหละกายวาจาใจศีลของกายศีลของวาจา มารวมกันอยู่นี้ผู้ใดปฏิบัติได้เท่าเรียกก็เรียกว่าภิกษุในธรรมวินัยรู้จักภิกษุในธรรมวินัยไหมนึกออกไหมภิกษุในธรรมวินัยก็เป็นภิกษุที่ปฏิบัติกายวาจาใจนี่นะเรียกว่าพระสูตรพระวินัยเข้าใจไหมล่ะเรียกว่าภิกษุในธรรมในวินัย นี่มันครอบลงมาอย่างนี้นะเออนี่แหละศีลอันนี้ผู้ใดปฏิบัติแล้วเอย่อมได้เป็นอริยาบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันง่ายๆเรียกว่าบวชแล้วนั่นเนี่บวชขั้นต่าคุณสมบัติศรัทธาศีลได้เป็นพระโสดาบันแล้วเป็นได้ไหมล่ะฮะเป็นได้หรือยังไม่กล้าเป็น กลัวจะไม่ได้ตียงุงกลัวจะไม่ได้เอาข้ามดแดงมาแรงน้อยเป็นห่วงอยูออ่อืมกลัวจะไม่ได้เอาไข่มดแดงมาขายสารพัดนั่นละกลัวจะไม่ได้พูดปดใช่ไหมเลยไม่ลกล้าเป็นเป็นง่ายๆใช่นี้แหละ นี่แหละศรัท ธ, ธาศีลอันที่สามไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเขาเล่าลือว่าอันนั้นพระเจ้าน้อยอยู่ที่ไหนหรืออันนั้นอันนี้ก็เชื่อไม่มีเหตุมีผลแต่ยินเขาเล่าลือมาว่าบัวแดงบัวดาอยู่ที่ไหนก็เชื่อไปกราบไปไหวใช่ไหมโอ้ยไปกราบดอกบัวเนาะ วัวแดงบวัวดำอยู่ที่ไหนเขาว่าลือมาว่าอะไรเกิดที่นั่นที่นี่ก็พากันวิ่งไปหากราบหาไหว้ากาเป็ดกาผีไปสารพัดอย่างนะพวกเรานะมงคลเตือนข่าวเขาเล่าลือว่าอะไรก็วิ่งไปนั่นละอันที่สี ทำบุญไม่ให้ทำบุญนอกศาสนาประเพณีต่างๆนอกศาสนาเขาเรียอะไรขออันนั้นอันนี้ไปอาจจะเป็นการมอมเมาก็ได้หรือจะอาจจะทำให้เราเสียหายทรัพย์สินโดยไม่รู้สึกตัวถูกต้มตุนก็ได้ยัง ทางภาคอีสานนี่มันมีมากนะบุญนอกศาสนาไปกราบไปไหว้ผีฟ้าผีทรงลงอะไรลงเขาเรียกว่าทางอีสานเขาเรียกว่าลงอะไรประชุมกันทำพิธีต่างๆเรียอะไรเงินมาหรือไม่ก็ลงปลาลงปลาเพื่อการกุศลเคยได้ยินไหม เขาลงปลาเพื่อการกุศลอย่างไงหาปลาฆ่าเหฆ่าสวิงฆ่าสะดุ้งฆ่าอะไรคนละพื้นละเท่านั้นเท่านี้การกุศลไหนนะมันไปฆ่าสัตว์<ม>เขาเรียกว่าบุญโนอกศาสนาใช่ไหม ไ, หไปฆ่าสัตว์่ะ อันนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆบุญนอกศาสนาอาจถูกต้มตุ๋นก็ได้อืมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยให้ทําบุญในศาสนาบุญในศาสนาคืออะไรเอา้าทํายังไงบุญในศาสนารู้จักบุญในศาสนาไหมไม่รู้จักแล้วฮะ ฮ <Huh? S 2> เออบุญในศาสนาก็ให้ทานยังไงรักษาศีลภาวนานี่แหละเรียกว่าบุญในศาสนาเข้าใจไหมแหละบุญในศาสนาฮะ huh? ไปทำแต่บุญนอกศาสนา ประเภทนี้ต่างๆเขาเรียอะไรไปเรียกให้ไปไประชุมไปกราบไปไหว้บุญนอกศาสนากราบหอพระคุดกราบสารพระภูมิกราบปู่ตากราบพีไล่พีนาอานั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สารณะที่พึ่งอ่า เนตังโขสาระเฉมังบุญในศาสนาทานศีลภาวนาพอนึกออกไหมล่ะพอมาถามบุญในศาสนาคืออะไรเงียบแหมทำอยู่ทุกวันก็ไม่รู้ว่าเราทำบุญฮะใช่ไหมโอ้ยตอบมาเลยนักเรียนไม่ต้องกลัวจะผิดดอก ผิดครูก็บอกใหม่ตัอ ไ, <c oughs> ไม่รู้จากบุญในศาสนาเมื่อทำวังนี้ก็มีทานศีลภาวนา <c oughs> ถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาเพราะพระไม่ได้มีอาชีพอาชีพของพระก็คืออาบินทบาทหากินด้วยปีแค่งเจ้าของเท่านั้นพระส่วนพวกเราก็หากินทางอื่นมาก็เอามาทำบุญแล้วก็ให้ทานนี่ละ รักษาศีลภาวนาเนี่ยบุญในศาสนาทานแล้วก็ทานจนนับไม่ถ้วนนล่อนอหลศีลก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจทานศีลภาวนาอภาวนาภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างสองอย่าง ยัยยินไหมล่ะข้างหลังอ่ะฮะอ่าแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งสมัท ภ, ภาวนาสองวิปัสสนาภาวนาภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างภาวนาแปลว่าอะไรใครตอบได้ฮะเออคือเก่งได้ ว, ว่าหมอยุ้ยแมงอ่า แปลว่าทมแปลว่าอบรมแปลว่าปฏิบัติอ่าหรือแปลว่าพัฒนาได้ไหมโยมทุกนะหรือโยมอะไรนั่นไหมลืมชื่อแล้วนั่งเบียดจนะเรียกว่าพัฒนาเอาอหน้าเหมือนโยมทุกออแล้วออออเออเอาเอาไม่เป็นไร นั่นละ่ะภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างสมัธาภาวนาคือทําจิตให้สงบภาวานาแปลว่าทำทําจิตให้สงบสองทำจิตให้เกิดปัญญาอปัญญานี่แหละท่านเรียกว่ากุศลกุศลกุศลกับกุศลลาอันเดียวกันไหมฮะฮะกุศลากับกุศลอันเดียวกันไหมฮะ เออกุศลาก็แปลว่าฉลาดกุศลก็แปลว่าความฉลาดแปลว่าบุญแปลว่าความฉลาดคุณงามความดีความฉลาดความฉลาดเกิดจากการภาวนาเอาใหญ่นะอ่ากุศลในศาสนาจึงแบ่งออกเป็นสี่อย่างนื้อออกไหม คือมีหลายอย่างแท้บุญในศาสนากุศลในศาสนากา ม, มาวาจรกุศลนะกุศลที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามมีอยู่สิบเอ็ดชั้นอบายภูมสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกนี่ว่ากา ม, มาวาจรกุศล ลูปาวิจรกุศลกุศลที่ความฉลาดนั่นแหละที่ทําจิตข้างใจของเราให้ได้ฌานได้สมาธิขึ้นมาได้รูปฌานขึ้นมาท่านก็เรียกว่าจิตไปท่องเที่ยวพิกจิตออกจากกามไปจิต ก, ก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานท่านเรียกว่าลูปาวิจารกุศล กุศลอันนี้มีสิบหกชั้นพ ม, มโลกกา ม, มาวัาจรนท่องเที่ยวอยู่ในสิบเอ็ดชั้นอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเป็นห้าสวรรค์หกเป็นสิบเอ็ดลูปาวัาจรกุศลมีอยู่สิบหกชั้นอลูปาวัาจรกุศลมีอยู่สี่ชั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่ ฮะสิบเอ็ดบวกสิบหกเป็นเท่าไหร่ฮะบวกอีกสีส่อนี่แหละสัตว์ทั้งหลายนี่ท่องเที่ยวอยู่ในสามแดนโลกธาตุเข้าใจโลกธาตุไหมสามแดนโลกธาตุคือกามโลกรูปโลกอรูปโลก หรือกา ม, มาภูมิรูปภูมิอรูปภูมิกา ม, มาพบรูปพบอรูปพบกันเดียวกันสามแดนโลกธาตุเนี่ยสัตว์ท่องเที่ยวอยู่นี่สามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดภูมิกา ม, มาวาจรมีสิบเอ็ดรูปาวาจรมีสิบหกอรูปาวาจรอีกสี่เป็นสามสิบเอ็ด พอเข้าใจไหมล่ะนี่แหละกุศลในศาสนายังเหลืออันหนึ่งนะอะไรใครจะตอบได้ยังเหลืออันนึงอยู่ฮะอะไรนะเออนั่นแหละโล ก, กุตตะละกุศลคือพระนิพพานเหนือโลกสามขึ้นไปโล ก, กุตตะละแปลว่าเหนือเหนือโลกสามขึ้นไป ผู้ปฏิบัติแล้วเห็นว่าสามแดนโลกธาตุนี้ยังตกอยู่ในกฎใจลักยานยังมีการเวียนไหวใจเกิดอยู่เขาจึงเบื่อหน่ายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาตาเขาจึงเบื่อหน่ายในโลกทั้งสามนี้หาวิธีดับโลกทั้งสามได้ดับโลกได้โลกหนึ่งก็ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าโลกุตระกุศล การที่จะเข้าไปดับโลกนี้ก็ต้องอาศัยโลกุตระปัญญาอีกได้บานไม่ใช่ปัญญาธรรมดาน ะ, ะโลกุตระปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่จึงจะดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ทำไมว่าดับขันห้าอะ กามาโลกก็คือมีขันห้าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยรูปธรรมเป็นรูปหยาบๆยา บ, ยบกายนี่ใช่ไหมล่ะใจนี่กายใจนี่ก็เรียกว่าขันห้าเดี๋ยวจะไม่รู้จะขันห้าอีกเอาลูปาวจาจอนกุศลทำไมว่าขันห้าเออเอาเาเเอาคนอื่นแล้วว่ายังไง อ๋อขั้นห้าคือฟังให้ดีนะรูปฌานอารมณ์ที่มาสงบปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่เรียกว่าอารมณ์ภายนอกใจใช่ไหมมาประกอบใจของเราเรียกว่ารูปภายนอกมโนคือใจคือรูปภายในมโนวิญญาณรู้ว่า เวลาเรานั่งสมาธินั่นนะมันสงบได้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นผู้ล่วงให้นี่ก็เรียกว่าขันห้าอย่างละเอียดเยข้าใจไหมขันมันซ่อนกันอยู่นี่แหละไมอ่อยู่นอกกายเราได้ละ่ะนะขันละเอียดอารมณ์ที่รู้ว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้ได้รูปฌานอันนั้นอันนี้ เป็นรูปภายนอกพอนึกออกไหมใจของเราคือรูปภายในมโนวิญญาณรู้ว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่านามรูปกับนามเรียกว่าขันห้าได้ไหมเออเนี่ยเขาเรียกว่าขันละเอียดเกิดจากมโนทวารอย่างเดียวทีนี้รูปชัน ก็เป็นขันอันปณีดอันนี้ละเอียดปณีของจะละเอียดลงไปอีกใช่ไหมปณีดอากาสาหรือนนเราเห็นนั่งลงไปจิตสงบลงถึงเป็นเป็นอากาศไม่มีตัวไม่มีตนว่างเป็นอากาศเป็นสุญญ์ตายเรียกว่าอากาสาบิญญายัญจายัชนะอะไรเขาว่าไปนะ รูปชนันอารูปชนันสีอันนี้เป็นอารมณ์ภายนอกมาประกอบกจิตเข้าเขาก็เรียกว่าจิตมนโนวิญ ญ, ญาณรู้ว่าสงบถึงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าใจเรียกว่าวิญญาณก็เรียกว่าอารูปชานเรียกว่าขันอันปนีต น, นึกออกไหมทีนี่ยฮะ มันซ้อนกันอยู่เนี่ยขันน่ะขันยาบก็คือกามเลโรคตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปภายในเขาใจ่ไหมรูปเสียงตลินรสพวดทพธรรมลมก็คือโลกภายนอกมากระทบกันนมใจออกรับอารมณ์ก็วิญญาณรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าขันขันกามเลโรคเขาใช่ไหมเกิดแล้วก็ดับอยู่ยังไง ที่นี่ขันอันละเอียดนึกออกไหมขันอันประนีตเม้ดละเอียดประณีตขนาดไหนมันก็ตกอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไป <c oughs> เท่านั้นตกอยู่ภายใต้กดไตลักยานอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจึงเบื่อหน่ายในกา ม, มาโลกรูปโลกอรูปโลก จิตงนี่ก็เห็นว่าไม่มีสาระเจนสารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่จิตของเราจึงดับโลกหมู่นี้ได้สามแดนโลกธาตุได้จิตจึงพ้นจากกรรมโลกรูปโลกอรูป โ, โ, โลกขึ้นไปเรียกว่าโล ก, กุตรลจิตแม่มันง่ายๆนี่แน่นี่แหละกุศลใน ศาสนามีอยู่สี่อย่างกามาวัจจรกุศลลูปาวัจจรกุศลอะลูปาวัจจรกุศลโลกุตตะกุศลนี่อุบาสกอุบาสิกานั่งอยู่นี่แหละนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เข้าใจไหมล่ ะ, ะเดี๋ยวนี้คุณสมบัติถึงไหนแล้ว <laughs> ศรัทธาศีลได้หรื อ, อยังพระโสดาบันนะเนี่ยคุณสมบัติอุบาสิกาผู้บวชขั้นต่ำต้องเป็นพระโสดาบันคือมีศรัทธามีศีล น, นึกออกเข้าใจนะทีนี้นะมาพูดให้ฟังถ้าไม่มีก็ฝึกทำให้มันเกิดมันมีขึ้น อ่าตัวศรัทธาตัวศีลนี่นะมันจะไปฆ่าศีลพัดปรามาศรัทธาก็จะฆ่าความวิกิกิตชา้าความโลเลสงสัยว่าพระบุรุเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีแต่ก่อนจะมีจริงไหมละ่ะใช่ั้ยล่ะพอเรามานี่ก็มีจริงผู้ใดปฏิบัติตามได้เป็นพระสงฆ์ง่ายไหยล่ะที่นี่ฮะปฏิบัติตามหรือ ย, ยัง ย่อลงมาปฏิบัติเท่านี้กายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นพระสุปฏิปโนสุปฏิปโนพระเขวัตโตสาวกสังโฆเราก็ได้เป็นพระโดาบันขึ้นมาปฏิบัติอีกจนกายสะอาดวาจาสะอาดกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐแล้วก็จะเป็นผู้อุชุอุชุ สุปฏิปโนพระขาวโตสาวะกะสังโฆง่ายไหมล่ะทีนี้ฮะอุชุปแปลว่าอะไรแหมสวดแปรด้วยบางทีล้มตาไม่มาไม่ต้องหัวเราะกันนรอกสงสาวกของพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้ว ได้วเนี่ยตรงแล้วนะเนี่ยมันก็ง่ายๆ่าใช่ไหแต่เราไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ตรงให้ตรงยังไงตรงตามทางใหญ่คือมักแปดมักแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสมาก็แยกออก สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปก็สงข้อเรียกว่าปัญญาใช่ไหมล่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอจิโวก็สงข้อเรียกว่าศีลสิกขาสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสงข้อเรียกว่าสมาธิผู้ปฏิบัติตรงก็ตรงตามตสิกขา ไแปลว่าสามสิกขาแปลว่าปฏิบัติปฏิบัติสามอย่างศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาศีล ส, สมาธิตรงตามใจสิกขาง่ายไหมมีแต่ไปแปลเอาอะไรไม่รู้จกตรงอะไร เ, เข้าใจไหมล่ะที่นี่ตรงไหมล่ะที่นี่แล้วตรงหรือยัง หรือบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยบุญในศาสนาคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าเราปฏิบัติถูกบุญแล้วตรงแล้วใช่ไหมนี่เราผู้ปฏิบัติตรงแล้วตรงตามใตศิกขาศีลทานปราจิเลสอย่างอยาก ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอย่างอย่างแบบออกจากจิตจากใจทานปาฏจารทานนี่ฆ่ากิเลสคือความตะนีนะพูดพูดผิดเมื่อกี้ตนีเนี่ยแน่นออกจากจิตจากใจเราจาค่าสิ่งของออกจากจิตจากใจเราจายค่ข้าว ข, ของเงินทองออกจากจิตจากใจเราก็เรียกว่าทาน ทานกําจัดความตันหนีแ น, น่นอันเรียกว่ามัชฉริยะเตความตันหนีแ น, น่นออกจากจิตจากใจแนี่ง่ายมไหมล่ะทีเนี่ยไม่เคยทานหลายๆไม่รู้สึกดอกทานทีละร้อยสองร้อยเนี่ยไม่กระเพื่อมเลยอืทานยกใหญ่ๆแหมมันรู้สึกว่าเบาออกจริงๆนะไม่ใช่พื่เล่นนะ แต่ก่อนลุงตาก็เคยทานยังไม่มาบวชทานที่เล็เลกๆน้อยไม่เท่าไหร่ถ้ามาทานที่ละหมื่นสองหมืนรู้สึกแบบโออัศจริ์จริงนะจิตมันโล่งว่างความตันีเนี้ย แ, แน่นออกไปเราก็เปลี่ยนทรัพย์สมบัติภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าอาริยทรัพย์ขึ้นมา ติดตัวติดใจเราไปเป็นเหมือนกับเงาติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติเกิดมาคนจึงล่ำจึงรวยกว่ากันเพราะเขาเคยทานเอาไว้แต่ชาติเก่าบางก่อนบุเพแต่บางก่อนนานนี่ทานท่าความตนีเนี้แน่นออกจากจิตจากใจศีลปราบกิเลสอย่างหยาบคือ ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตจากใจสมาธิปราบยิเลศอย่างกลางได้แก่นิวรธรรมห้าคือกามะันทะพยาบาทธิณะมิทธะอุทธิจักุกุจจาวิกิจิชฌาออกจากจิตจากใจใจของเราก็ว่างและเอียดนลงไปเรื่อยๆว่างเป็นธรรมชาติขึ้นมา แต่ก่อนมันมืดตึดตๆอยู่เหมือนกับน้ำคุณๆอยู่เขาเอาไปต้มไปกรองออกสะอาดขึ้นใช่ไหมละ่ะเอาไปกลั่นยิ่งสะอาดขึ้นไปถึงปัญญาปัญญาก็จะไปฆ่ากิเลสอย่างละเอียดได้แก่ตัวอุปธิด้วยจากอุปธิไหมละ่ะฮะ อุปธิคือตัวกูนี่แล้วตัวเล่านี่แล้วนอนเนื่องอยู่ในสันดานสันดานคืออะไรฮะรู้อยากสันดานไหมเนาะอุปธินอนเนื่องอยู่ในสันดานเปรียบเสมือนน้ำในโอค์ฝุ่นละอองที่มันไปตกตะกอนอยู่ในก้นโอ่งนั่นนะ้ำคือจิตคือใจของเรา ส่วนตะกอนที่ตกอยุดก้นโองคงนั้นเขาเรียกว่าตัวอุป e ิ i ตัวอุปทานมันนอนอยู่ในสันดานนอนอยู่ในน้ำนั่นนะเมื่อกิเลศไหลเข้ามาทางตาหูจมูกเลิ้ยกายใจจิตก็จะกับเพื่มกับเพื่มน้ากับเพื่มใช่ไหมจิตกับเพื่มออรับอารมณ์น้ากับเพื่มเมื่อน้ำกับเพื่ม ตะกอนในก้นโอคงมันจะเป็นยังไงตัวกูเนี่ยขึ้นมาเลยใครใหญ่กว่าเราเว้ยว่างันนะนี่แหละตัวอุปธินอนเนื่องอยู่ในสันดานเนี่ยปัญญาจะมาปราบอันนี้หรือปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาเนี่ยว่าปราบอันนี้ออกได้ตัวกูลงได้ ตัวอวิชชาตัวโง่ตัวหลงนอนอยู่ในสันดานเราได้เ อ, อ้ง่ายง่ายนี่แหละศีล ส, สมาทานศีลภาวนานีผู้ปฏิบัติตรงอย่างนี้ตรงอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะกายตรงวายาตรงใจตรงตร ง, ต, รงตามใจสี่ขาทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาก็ได้เป็น อุชุสุปฏิปโนพระขวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วเมื่อไปรู้เท่าสังขันดับอุปธิอุปทานออกได้อุปธิอุปทานคืออะไรมันอุปทานอะไรอุปทานว่าขันห้านี่เป็นเราใช่ไหม เราเป็นขันห้าขันห้าเป็นของของเราเนี่ยโตอุเบกทานอุเบกที่มันนอนเนืองอยู่ในเนี่เอาออกยากนะเอาเราออกยากนะเนี่ยอ่าอ่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็จะได้เป็นยายะสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโฆเนี่ย ง, ายงาย่ายๆแปลว่าอะไรอะไรช่ไหมฮะสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ของจริงปฏิบัติเพื่อรู้อะไรแปลว่ายังไงนะญาแยสุปฏิปโนปฏิบัติเพื่อรู้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกหรือยังไงจําไม่ได้หรอกใช่ไหมปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุก หรือปฏิบัติเพื่อรู้ความเดียวกันนะทีนี้เข้าใจไหมปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรฮ <ยา S 1> ะโอ้เก่งขึ้นมาแล้วรูปธรรมนามธรรมนี่แหละปฏิบัติกายปฏิบัติใจนี่แหละใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมนี่นะ ก, กายกับใจนี่นะปฏิบัติธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกขเพื่อรู้จากทุกเป็นเครื่องออกจากทุกขทำทั้งหลายคือย่อนย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจรูปธรรมนามธรรมแต่พูดได้แต่ปากว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมใช่ไหมใช่ไห ม, ไมรู้อยู่ว่ารูปธรรมอะรูปธรรมคืออะไ ร, รอ๋อคือกาย ทำไมว่าเป็นรูปธรรมฮะตอบได้ไหมต้องตอบสนทนาไปนะถ้าถ้าไม่งั้นไม่เข้าใจต้องคิดไปด้วยที่ถามนี่อยากให้เราตองไปด้วยคิดไปด้วยมันจะได้เข้าใจใช่ไหมล่ะไม่ได้ถามแต่ข้างหน้านะทางนั้นก็ถามเหมือนกันนะตอบมาเลยอ่าปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ทำทั้งหลายคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละเขาเรียกว่าลูกทำลูกทำนามทำทำไม่ที่เขาเรียกว่าลูกทำนามทำนึกออกไหมดินกายนี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟดินมีเจ้าของไหมดินฮะเป็นธรรมชาติอันหนึง่งมีเจ้าของไหม อยู่ข้างนอกก็มีอย่างของดินภายในมีอย่างของเรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าธาตุดินหรือธรรมชาติอันหนึ่งใช่ไหมน้ำก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใครเอามากินมาว่ามาล้างไปทำอะไรน้ำไม่เคยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งลมไฟก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมาประกอบกันเข้าเขาจึงเรียกว่ารูปธรรมใช่ไหม แม้ถ้ารู้ขนาดนี้แล้วมันก็ออกจากทุกได้ตัวหนึ่นะปฏิปธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกใช่ไหมล่ะลูกธรรมเนี่ยวิญญาณที่ี่ยวิญญาณคือธรรมชาติอันหนึ่งคือใจวิญญาณคือธรรมชาติใจมีเจ้าของไหมเออเขาจึงว่าลูกธรรมชาติลูกก็เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าย่อๆว่าลูกธรรม ใจก็คือนามทำรูป ก, กำน้ำนี่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมเพื่อรู้จากทมเป็นเครื่องออกจากทุกเนี่ยมันจะออกจากทุกได้ยังไงขันห้านี่แหละรูปทมนาม้ำทำนี่แหละมันอาศัยกันเกิดอยู่ขันห้าเกิดอยู่ตลอดวัน มรู้อยากว่ามันเกิดไหมเนอะฮะมันเกิดยังไงนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยฮะอเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยทั้ทงนั้นแหะใช่ไหมนี่เดะมันทุกข์ อ, อ่ะเพีกยขาใหม่มันก็หายแต่ว่าไม่หายนะทุกโคตินาทุกขะปะเลตาความทุกข์แล้วได้อย่างเอาเราแล้ว ความทุกข์รออยู่ข้างหน้าใช่ไหมย<ำ>พกค้าใหม่นั่งไปนั่งมามันจะปวดอีกไหมมันรออยู่ข้างหน้าแล้วมันรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วทุกข์นี่ปฏิบัติเพื่อรู้จักทุกทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจคือเขาทำทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาอยู่กายกับใจคือเขาเนี่ยพอเข้าใจพอนึกอออกไหม กายกับใจมันเป็นอะไรมันจึงทุกคือหรือนั่งปวดขาก็ทุกทุกมันมีอยู่ทุกในอริยสัจสี่นิพพัททุกพยาธิทุกเนี่ยเข้าใจไหมทุกในอรยสัจสี่คือขั้นห้าเกิดตายนะทุกในนิพพัททุกนิพพัททุกคือ ทุกไปจําอยู่เดือนล่างเรารู้จักไหมละ่ะมันไปจําอยู่เนี่ยนั่งนานปวดทุกเหนื่อยหิวข้าว ท, ทุกไหมหิวน้ำํำนี่แหละเรียกว่านี่พัดทุกินอิ่มเกินไปอา้าวนี่ <laughs> <laughs> นี่พัดทุกพยาธิทุกเนี่ยก็งรู้จักปวดหัวปวดท้อง เป็นโรคอันนั้นอันนี้เรียกว่าพยาธิทุกนะพยาธิทุกเกิดจากพยาธิต่างๆ อ, าอันนี้เราจะพูดทุกในอริยสัจสี่ไม่ใช่ของสูงมันก็อยู่ในกายกับใจนี่เองอเข้าใจไหมล่ะทำไมขันห้ามันจึงทุกที่ทุกสามอย่างก็เล่าให้ฟังแล้วอันนั้นเป็นทุกภายนอก ทุกภายในคือทุกในอริยสัจสี่มันทุกอย่างไงขันห้าเกิดดับนี่แหละมันเป็นทุกข์อ่ะเข้าใจไหมมันเกิดยังไงมันดับยังไงเนี่ยฮะโอ้ยไม่เคยรู้เห็นมันเกิดมันดับลอดท้องแม่มาแล้วใช่ไหมไม่เห็นมันเกิดอีกสักทีเออใช่ไหมแล้วไม่เห็นมันดับสักที นี่แหละเราไม่รู้จากทุกขันห้าก็คือรูปรูปกับนามขันห้าก็คือรูปหนึ่งนามสี่นึกออกไหมข้างหลังอะลูกก็นั่งอยู่นี่แหละเนี่ยนามสี่ก็คืออาการของใจนั่นแหละขันห้ามันจะเกิดมันดับได้ยังไงมันเป็นทุกข์ได้ยังไงฟังให้เข้าใจทีเนี่ยเอา เอาไปปฏิบัตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจสองข้อเรียกว่าลูกภายในเข้าใจไหมมันมีคู่ของมันอยู่ตาเป็นคู่กับอะไรฮะตาเป็นคู่กับอะไรคู่กับลูกหูเป็นคู่กับอะไรเออนี่แหละมันคู่กันอย่อยางนี้ เมื่อมันกระทบกันรูปภายในตาคือรูปภายในอ่ารูปคือรูปภายนอกหรือโลกภายนอกเมื่อกระทบกันมันส่งไปบอกใจใจน้อมออกรับอารมณ์เนี่ยรูปกับนามรูปหนึ่งนามสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดได้ยังไงทีน่ะเมื่อจิตฟังให้เข้าใจนะ เมื่อจิตน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณเกิดลูกก็คือตาลูกภายในหูลูกภายใ น, ยในได้ยินเสียงมันก่อไปบอกจิจิตน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละคือจิตใช่ไหมล่ะออกรับอารมณ์จิตก็สเสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาเกิดแล้วใช่ไหม ยินดียินไล่เกิดขึ้นมาเกิดรักเกิดช่งขึ้นมาสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดสัญญาจำอารมณ์จำหมายอารมณ์นั้นไว้วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารสังขารก็นำเอาอารมณ์สัญญาไปประกอบกจิตทันทีจิตจึงเรียกชื่อว่าสังขารที่กิงจิตมันเป็นว่างเป็นจิตเดิมแท้อยู่แต่ก่อน มันเข้าพวังอยู่ว่างอยู่พออารมณ์ไปกระทบจิตจิตออกรับอารมณ์ตื่นออกรับอารมณ์เนี่ยเรียกภาวะเรียกว่าจิตเกิดภพหนึ่งหรือขันห้าเกิดภพหนึ่งเข้าใจไหมละ่ะนี่แหละขันห้าเกิดเมื่อจิตออกรับอารมณ์นามสามเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นพร้อมกันนี่เรียกว่าขันห้าเกิดได้ไหม ฮะเ ก, เกิดแล้วมันอยู่ได้นานไหมไม่ได้นาะปับ๊บพอตายให้ลูกผ่านไปก็ดับแต่มันยังไม่ดับอารมณ์ยังมาปรากฏอยู่จิตก็เลยเสวยอารมณ์ปับ๊บเกิดลักเกิดชังขึ้นมาอิทธลมอนิทธลมสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดนี่เรียกว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกัน ก็ อ, อยากขันห้าเกิดหรื อ, อยังฮะนี่แหละมันเกิดมันดับนี่สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ะนั่นแหละเรียกว่าทุกข์อ่ะก็อยากทุกข์หรื อ, อยังเธอเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปใช่ไหมตาไม่เห็นรูปหูก็ ได้ยินเสียงหู้ไม่ได้ยินเสียงความคิด<อ>เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นความคิดก็คือสัญญาอารมณ์จํารูปเสียงจินรดไว้ตั้งแต่อดีตว่างๆอารมณ์นี้ไหลออกจากจิตอารมณ์เก่าเป็นอดีตนี่เป็นรูปภายนอกเข้าใจไหมใจของเรานี่คือรูปภายในอารมณ์ไหลออกมาสองอันแล้ว วิญญาณรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือนามรูปกับนามเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ขันห้าได้ไหมขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเข้าใจไหล่ะทางนั้นนะเหรอรูจากขันห้าเกิดหรื อ, อยังยศแม่ฮะมันเกิดวันละกี่ครั้งฮะ ตลอดวันตลอดคืนเวลานอนหลับอะ่ะยังไปฝันอีกนะยุ้ย <laughs> ฮะมันทํางานอยู่พอจิตตื่นขึ้นนิดหน่อยนั่นแหละฝันอีกใช่ไหมเคยฝันไหมพวกเราอะ่ะ <laughs> ความฝันคืออารมณ์เก่าที่จําได้ไหมรู้ในอดีตพอจิตสะดุ้งตื่นขึ้นมาจิตทํางานทันทีนะขันหาทํางานทันทีฝันเห็นอัน น, อ น, นั้นอันนี้ อารมณ์ความความสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นน่ะนะคือรูปภายนอกอเข้าใจไหมใจของเขาเราคือรูปภายในไปรับอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ไหลออกจากใจวิญญาณรู้ว่าเราเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันเห็นอันนั้นอันนี้ก็คือนามรูปกับนามก็คือขันห้าใช่ไหม ฝันห้ายังทํางานอยู่เวลาสะดุ้งตื่นขึ้นมานิดหน่อยครึ่งหลับครึ่งตื่นเออเลยไปแบกเอาได้เท่เน่ะแบกเอาฝันเห็นของไม่ดีกับใครนาะจะเป็นอันนั้นอันนี้เอาอะไรเท่เนะใหญ่แล้วเท่เน่ะเออผัวจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงแล้วเออแม่จะเป็นยังไงเห็นคนหนึ่งฝันเห็นฝันฝัน หลุดออกฟันฟันหลุดฟันเขาเรียกว่าฟันอะไรฟันกามเดี๋ยวกามลากกามอ่นั่นแหละหลุดออกว่าเงินมหาแต่เช่าอะไรเลยโยมโอ้ยฟันฟันไม่ดีลูกตาฟันว่าภาษาอีสานกาว่าแขวโคกฟันแล้วฟันฟันกกฟันโคกเลยหลุดออกย่านกลัวว่า พ่อแม่จะตายว่าไง น, นะเขาว่าฝันอย่างนี้พ่อแม่ตายาาาเออนั่นแหละม น, มนั่นแหละเขาว่าอย่างงั้นนะก็ตกใจใหญ่มหานั่นแหละ <บา S 1> ไม่ใช่ดอกใบบวกขันห้ามันทำงานเฉยๆมันทำได้มันเกิดได้เมเขาฝันอย่างงั้นอย่างนี้ฝันล่างฝันบนพูดไปสารพัด อันข้างล่างเนี่ยก็เป็นแม่ข้างบนก็เป็นพ่อระบาดเนี่ยกลัวพ่อกับแม่อย่าตายทุกใหญ่เขาเรียกว่าอุปทานขั้นห้าเนี่ยเข้าใจไหมโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยอุปทานขั้นห้านั่นแหละคือทุกเข้าใจไหมละ่ะใครเคยไปอุปทานเอามีไหมอยู่ใ น, นเนี่ยฮะนั่นแหละขั้นห้าเกิดดับว่าโดยยออุปทานขั้นห้าเป็นทุกตาไปเห็นรูป ก, ก็หลงว่าเราเห็นก็เลยปูอุปทานออกก็เป็นทุกนะ เนี่ขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราต้องปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้เห็นขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดพระพุทธองค์ว่าอัญญามัญญะปัจจัยเคยได้ยินไหม เงียบเล ย, เ ย, ยอาจารย์ไหนก็มาสอนหมดแล้วใช่ไหมล่ะทางโน้นหนะครอัญยะมันญะปัจจัยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลรูปทำนามธรรมเองอาศัยกันเกิดเนี่ยเรียกว่าขันห้าอิงอาศัยกันเกิด เ, เ, วว 5, กเกิ ด, กดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้ตาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปว่ามันไม่มีสาระแกนสาร เกิดแล้วมันก็ดับมันไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็วางขั้นห้าพบหนึ่งพบหนึ่งดับพบได้ใช่ไหมพบขั้นห้ารืออยากไหมหลายที่เนี่ยฮะคือยังไงขั้นห้าเกิดพบหนึ่งฮะรู้อยากหรือยังตอบมา ทุกคนอะไรอยู่เนี่ยอ่าตาหูจมกูกลิ้นกายใจรวมกันเรียกว่ากายในหรือรูปภายในเข้าใจไหมรูปเสียงก ล, ล, ลิ่นรสผดทะพทะมลมเรียกว่ารูปภายนอกหรือกายนอกหรือขันภายนอกเมื่อมากระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นวิญญาณก็คือใจ มารู้ขึ้นก็เรียกว่าขันห้าเกิดเข้าใจไหมนู่จะขันห้าเกิด ไ, มไหมเทนี่มารู้ว่ารูปนั้นเสียงนี้ขึ้นมาวิญญาณมารู้ว่ารูปนั้นเสียงนี่ขึ้นมาเขาเรียกว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันมันเกิดมันดับนี่แหละพระพุทธองค์จับเอาตัวนี้ว่าทุกข์คืออริยสัจจริง ขันห้ามันทำงานแล้วก็เกิดดับการเกิดกันดับของขันห้านี่แหละเรียกว่าทุกเกิดตายวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดบ่อยไหม <Boy. S 1> ฮะบ่ <Boy. S 1> อยออสัน ต, ติสืบกันสืบเนื่องกันไปไม่ได้หยุดเลยนะพบแล้วขันห้าเกิดพบแล้วพบแล้ว ได้เห็นรูป ก, ก็เกิดพบหนึ่งใช่ไหมเราเกิดพบหนึ่งแล้วหูได้ยินเสียง <Good. S 1> ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอีกด็ขันห้าง ก, ก็เกิดลอบหนึ่งจะูกได้กล <Good. S 1> ิ่นขันห้างเกิดลิ้นได้รสโพธพะภพย็นรอดออนแฉงมันกรทบเกิด <Good. S 1> อารมณ์ธรรมอารมณ์ปรากฏขึ้นที่ใจ เกิดวันหนึ่งวันหนึ่งรั้นห้าเกิดพบแล้วพบเล่าเข้าใจไหมท่นเนี่ยพบเก่าพบใหม่พบน้อยพบใหญ่อเนก อ, อนันพบแปลว่ายังไงอเนกอ น, น, นันเนี่ยนนับไม่ไหวนับไม่ท้วนเนาว รู้จักขันห้าเกิดแล้วทีนี้ไม่เสียชาติเกิดมาตั้งแต่ก่อนลง้ลงตายังไม่บวชก็เหมือนเราเนี่ยแหละเพราะไม่มีใครอธิบายให้ฟังคิดว่าเกิดลอดท้องแม่มาเที่ยวเดียวเลยไม่เห็นมันตายไปอ่านในหนังสือว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอณนะทิพยิกูุนนั้นพระพูดองค์ตัดเอาไว้เธออย่าไปตื่นโลกตื่นขันห้า โลกมันหมุนอยู่นี่ขันห้ามันหมุนอยู่นี่เป็นวัดแะ่สงสารอยู่อย่างนี้เกิดพบนี้ก็หมุนไปพบใหม่อีกเกิดพบใหม่หมุนไปเรียกว่าอเนกอนันตพบหมุนเป็นวัดแะ่สงสารอยู่อย่างนี้ใช่ไห ม, มไหมุนไหมวันหนึ่งวันหนึ่งหมุนตด้เห็นลูกเก่าก็พบเก่าเห็นคนเก่าใช่ไหมล่ะหมุนไปอีก หูได้ยินเสียงเก่าก็หมุนไปอีกพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อนเอกอนกอนันพบนับไม่ไหวใช่ไหมละ่ะนี่แหละขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันเรียกว่ายายะสุปฏิปโนพระคัมภโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูใดปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อเป็นเครื่องออกจากทุกเพื่อรู้จากทุกเพื่อออกจากทุก เใหญ่ไหมทีเนี่ยทำทั้งหลายก็คือกายกับใจอ่าหรือเพื่อรู้ความจริงรู้ของจริงคือสัจจะคือความจริงเกิดดับนี่แหละสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับมีไห ม, ไ ม, มนี่แหละคือสัจจะคือความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนั่นแหละคือทุกข์มันเกิดมันดับเป็นสัจจะความจริงอยู่นี่เรียกว่าทุกข์ คืออริยสัจจริงเนี่ยเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ขันห้าเนี่ยมันเกิดมันดับท่านให้กำหนดรู้กำหนดรู้ไปทำไมล่ะทีนี้ยะเพื่ออะไรรู้ไปเพื่ออะไรฮะ เพื่อออกจากทุกข์เพื่อเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละแต่ก่อนแล้วลงว่าขั้นห้าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันไม่มีตัวตนเราเขามันเป็นรูปธรรมนามธรรมเฉยๆท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้เมื่อมันเกิดมันดับไม่มีเจ้าของใช่ไหมไม่มีใครมาอุปทานมายึดถือว่าผู้นั้นก็ดับทุกข์ได้อ่าใช่ไหมล่ะฮะ ว่าโดยย่ออุปทานคันห้านั่นแหละคือทุ ก, ทกเมื่อคันห้าเกิดดับคันห้าไม่มีเยื่ของไม่มีใครมายึดเอามันจะทุกไห ม, ไมอ๋อไม่ทุกแล้วก็นี่แหละสมุทรไทยคือเหตุแห่งทุกเกิดถ้ามาอุปทานเอาคันห้าก็เรียกว่าสมุทรไทยเหตุเกิดแห่งทุกไทยไว้ว่าใจใจมาหลงสมมติ สมมุติทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจใจมาหลงกายกับใจว่าเป็นสัตว์บุคคลจึงมายึดเอาเรียกว่าสมุดไทยใจปลอมใจมายึดเอาของปลอมมายึดเอาสมุติหลงว่ามีสัตว์บุคคลว่าโดยย่ออุปทานคันห้านั่นแหละคือทุกข์ถ้ามารู้เท่าเอาทันว่า ขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่จะมีใครมายึดเอาไหมไม่มีออก็ท่ำที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือถูกไหมที่นี่อ๋อก็เข้าพนิพานตัวเต็มเอาจริงๆไม่ใย่พูดเล่นนะเนี่ยเราไปทำลองดนนูนี่แหละว่าโดยย่อ อ, อุปท า, านขันห้านั่นแหละคือทุกข์หรือเราดับอุปท า, านได้ ทำที่สุดแห่งทุกได้คือการไม่ยึดไม่ถือใช่ไหมล่ะก็อันเดียวกันกันกบกันนี่แหละท่านให้กำหนดรู้กำหนดรู้ว่าขันหามันเกิดหมุนเป็นวัฏจัทรสงสารอย่างนี้มันเกิดเองดับเองทุกเองไม่มีใครไปยึดไปถือมันจะเป็นทุกไหมไ ม, ไม่เป็นนี่แหละท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้ก็เรียกว่านิโรธ ดับทุกได้ใช่ไหมก็เรียกว่านิโรธที่มากำเนดรู้ด้วยสติปัญญาก็เรียกว่ามัดง่ายไหมล่ะทีนี้ปฏิบัติเพื่อลูกของจริงแล้วเราก็จะดับขันห้าทิ้งขันห้าไปกับอะไรอะไรทิ้งไปยังไงฮะทิ้งไปยังไงทิ้งไปกับ แหมโยนทิ้งได้อยู่ติขั้นห้าทิ้งไปกับอนิจจังใช่ไหมทุกขังอนัตตาทิ้งไปดับขั้นห้าด้วยเห็นว่าขั้นห้าเป็นอนิจจังเกิดแล้วก็ดับคือไม่เที่ยงทุกขังมันทุกข์อย่างนี้อนัตตา ไม่มีเจ้าของสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเข้าใจไหมอ่าเราจึงดับคันห้าพบไหนเกิดขึ้นเราก็ดับได้ทิ้งพบไปกับไตรักยานพบคันห้าเกิดพบหนึ่งพบหนึ่งเราก็ทิ้งคืนให้อะไรโอ้ใกล้จะได้แล้วที่ถามบ่อยๆจะเก่งขึ้น คืนให้กับความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งนั้นตาเมื่อพบไม่มีชาติจะมีไหมฮะความเกิดจะมีไหมอ่มมชาชลามระนะเราก็ได้เป็นสามิกิปติปโนพระคาวาโตสาวากสังโฆแปลว่าอะไรอีกฮะ เอาการเรียงถามธรรมดาไปเลยเด่สนทนากันนี่มันเข้าใจสามิจิปติปโนภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกมูใดปฏิบัติดีดแล้วใช่ไหมปฏิบัติชอบปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้จักทุก เพออกจากทุกปฏิบัติสมควรแล้วตรงแล้วพอดีแล้วสมควรแล้วคือปฏิบัติยังไงเอาฮะจึงว่าสมควรแล้วพอแล้วนั่นเนี่ยสมควรคือพอดีแล้วไม่ต้องทําอีกก็ได้รู้อยากไหมล่ะฮะปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติสมควรแล้วคือปฏิบัติเพื่อปฏิบัติ ยังไงสมควรแล้วปฏิบัติเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคายความยิน ด, ด, ดนีดับไม่มีเหลือซึ่งอะไรฮะอ้าได้ยินไหมล่ะฮะดับไม่มีเหลือซึ่งฮะพว่หนาวซึ่งคันห้า ดับไม่มีเหลือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันห้าเพราะว่ามันเป็นอะไรฮะมันเป็นอ น, นิจจังอคายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าใช่ไหมจึงเรียกว่าปฏิบัติสมควรแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเบื่อหน่ายคายความยินดีหรือปฏิบัติเพื่อ ความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในชาติชะลามรนะเบื่อหน่ายคลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งชาติชะลามรนะเรียกว่าผู้ปฏิบัติสมควรแล้วเข้าใจไหมนี่แหละคุณสมบัติสี่ประการนี้เป็นประธานของสงเป็นใหญ่ เป็นประธานคือเป็นใหญ่ในพระสงฆ์คุณสมบัติของพระสงฆ์คุณสมบัติสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาหิอัตตาหิตาคุณเป็นคณที่เกื้อกูลทำให้ตัวเองอัตตาคือตัวตนตัวเราใช่ไมทำให้ตัวของเราบรรลุเป็นพระสงฆ์ขั้นต่างๆ พระอาริสงท่านต่างๆท่ า, านเรียกว่าคุณสมบัติสี่อย่างนี้เป็นสมบัติเพื่อเกื้อกูลให้เราได้บรรลุเป็นพระอาริสงเข้าใจนะแล้วเมื่อได้คุณสมบัติสี่อย่างนี้แล้วแล้วก็จะเป็นนี่แหละท่านเรียกว่าจัตตาลิจัตตาลิอะไรปุริีะ ยุคคานี้จัตตะแปลว่าอะไรจัตตฮะจัตตะก็แปลว่าสี่จัตุจัตตะแปลว่าสี่ีแหละคือบุรุษสีค่คู่อ่าอัฏฐปุริสสะปุกคลาแยกออกเป็นบุคคลได้เป็นแปดบุคคลสี่คู่ก็าพระโสดาบัน พระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์แยกออกไปเป็นคู่และสองและสองโสดามัสมโสดาผลก็ได้สองแล้วสกิทาคามีมัสัีกิท า, าคามิผลได้สี่อนาคามีมัสมอนาคามิผลได้หกอรหัตมัสมีอรหัตผลก็ได้แปดแยกเป็นบุคคลได้แปดบุคคล เอสะอะไรล่ะต่อไปพระควมโตสาวกสังโฆนี่แหละคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าง่ายไหมล่ะที่นี่อยากเป็นไหมอยากเป็นก็ทำด้วยเนี่ยที่บอกนี่นะ่ยบอกเนี่ยคืออันนี้เป็นพระธรรมคําคสอนของพระเจ้านะถ้าใครนํามาปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนพระคัมโตสาวกสังโฆก็ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อลูกของจริงคืออริ ย, ยสัจสีปฏิบัติสมควรแล้วเข้าใจไหมละ่ะนี่แหละคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ควรสมควรรับอาหุนทานทานที่เขาจัด เตรียมไว้แล้วนำมาส่งถึงที่เรียกว่าอาหุนทานปาหูนทานปาหูนทานเอาปาหูเนยโยศรัทธาเขาจัดเตรียมพร้อมไว้ดีแล้วนิมนต์ไปรับที่บ้านเข้าใจไหมละ่ะแปลออกไหมทักขิเนยโย ศรัทธาเขาจัดเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อบุญกุศลในปรับะโลกภายหน้าของเขาหรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้บุรพญาติของเขาเรียกว่าทักขีเนยโยบุญแก่เขาบุญอุทิศส่วนกุศลเรียกว่าทักขีเนยโยเข้าใายไหมหลายทางนั้นนะงะ มีแต่สวดทุกวันทุกวันแปลเอาจนมาติดปากอันชฉลีกรลตนโย น, นเป็นผู้ควรกราบควรไหว่ไม่ได้กราบได้ไหว้เห็นเฉยเฉยก็เป็นมงคลอันประเสริฐในมงคลสามสิบแปดท่านเขียนไว้สมณานันจะทัศนังสมณนะ นั้นจะทัศนังทัศนะเห็นพระอริยะบุคคลสี่จำพวกเนี่ยเข้าใจไหมเห็นเฉยๆก็ปิดอบายะภูมิได้ไม่ได้กราบไม่ได้ไว่าถึงขนาดนั้นน ะ, อ ะ, อะเอตมังคัลมุตตะมังนี่แหละคือมงคลอัอนเปรื่องนี่เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละพระสงฆ์สี่ คนี่แหละแปดบุรุษนี่แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกว่านี้ให้พากันรู้จากนาบุญนะให้เราไปทําบุญผ่านนานามันไม่ได้อะไรดอกเจ้าของไปปกาาักดำนาเขาเจ้าของน่ะไปเกี่ยวไม่กินใช่ไหมผู้ไปทําบุญนั่แหละเอาเอาบุญไม่กินนะ่ะนามันได้อะไรต่อชังเต่ง เขาชิ้งต่อสังไว้ที่นาใช่ไหมฟังออกไหมล่ะโยมแมวมันฟังไม่หลังต่อสั่งต่อสั่งอยู่นาหน้าได้แรบอะไรต่อเฟี้ยงเขาทิ่งต่อเฟี้ยงไว้เจ้าของผู้ไปปักดำนาเอาข้าวไปกินนาก็นั่นแหละนาหน้าบุญให้เราทำบุญผ่านเข้าใจไหม นาพระพุธองค์จึงเขียนไว้อยู่สามอย่างหนึ่งนาเลิศสองนาดีสามนาดอนรู้จักนาดอนไหมล่ะนะภาคอีสานเขาเรียกว่านานโนนนาบ้าเขีกระไตปักดำลงไปแล้วเสียงไม่รู้จะได้พันเข้าปลูกหรือไม่ได้นาดอน นาเลิดก็อเสขาบุคคลทานกับพระละหันติดไปได้ได้หลายกว่ากันนาดีก็ทานกับพระเสขาบุคคลเจ็ดจำพวกนาเลิดก็คืออเสขาบุคคลคือบุคคลไม่ต้องปฏิบัติอีกคือพระละหัน เสขาบุคคลมีอยู่เจ็ดจำพวกบุคคลต้องปฏิบัติอยู่นอกจากนั้นก็เป็นสงโดยสมมุติสวดยติว่าเป็นพระเป็นสงแต่ไม่ได้ทำกายดีเข้าใจไหมไม่ได้ทำเป็นอุปอชุสุปฏิปโนยายาสุปฏิปโนสามิกิปฏิปโนเขาจึงเรียกว่าสงสมมุติ เขาเรียกว่านาดอนเป็นพระสงฆ์ฮอลอนดูเหมือนกันยัตติเป็นสงฆ์เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีเข้าใจไหมยังไม่เป็นอุ ช, ชุสุปฏิปันโนญายะสุปฏิปันโนนี่แหละเขาเรียกว่านาดอนว่าไม่ใช่หลวงตามาพูดขึ้นเอง ด้วยอย่างหน้าดอนไหมล่ะทางเนี่ย่ ะ, ะมาทานหน้าดอนอเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่ในหน้าดอนไม่รู้จะได้พันเข้าปูกกับคืนหรือไม่ได้แล้ว <c oughs> วันนี้ก็พูดเรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานะเราเข้าถึงศาสนาแล้วนะ ทุกคนทุกท่านอยู่นี้ปิดอบายภูมิได้แล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือบวชขั้นต่ําในศาสนาเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแล้วไม่ไปเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่ไปทําบุญนอกศาสนาให้ทําบุญทําบุญในศาสนาอย่างที่อธิบายมานี่บุญในศาสนา พอเข้าใจแล้วนะเอาเทศไปหลายกว่านี้มันจะหลงฝันเฟืออา่อาอ่าก็ขอยุติเอาไว้เพียงแค่นี้ล่ะเอาเอวังเอายังมีอีกนิดหน่อยใครสงสัยอะไรบ้างที่พูดมาเนี่ยมันจึงสะอาดแม้จะดึกแล้วก็ตั้งใจมาหาเนี่หล่ะสองทุ่มสามทุ่ม ตั้งใจมามาฟังมาเทศมาพูดกันพูดในการปฏิบัติอย่าว่าฉันทุกจะทำยังไงจึงจะร่ำจะรวยอันพูดไม่เป็นอันนั้นเอาเอาเลยฮะ เอาจิตทำงานเขาเรียกวิวีวิถีจิตช่วงจิตทำงานมันจะมีอยู่สิบเจ็ดขณะจิตนะคือเมื่อจิตตาขันห้าทำงานเข้าใช่ไหมหรือจิตทำงานกายกับจิตร่วมกันตาเห็นรูปทรงเข้าไปที่จิตจิตน้อมออกรับอารมณ์แต่ก่อนจิตเข้าพะวังอยู่ พะวังคจิตคือจิตพักอยู่เหมือนกับเรานอนหลับพักอยู่พออารมณ์ไหลเข้าไปทวารใดทวารหนึ่งไปกระทบจิตจิตก็ตื่นจากพะวังออกมาเรียกว่าภวะเมื่อจิตออกจากพะวังลงแล้วจิตก็น้อมออกรับอารมณ์ก็แล้วจิตทำงานเรียกว่าวิถีจิตนะ จิตน้อมออกรับอารมณ์เนี่เรียกว่าจิตทํางานเขาเรียกว่าวิถีจิตจิตมันจะทํางานอยู่สิบเจ็ดช่วงขณะจิตไปรู้ลูกทางตาทางหูจมูกแล้วแต่ท้าวานไหนเข้าใจไหมแล้วก็พอรู้แล้วจิตก็กสเสวยอารมณ์กินอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าเวทนาไปรู้อารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณ ใบรับอารมณ์เข้ามาก็เรียกว่าเวทนาสเสวยอารมณ์กินอารมณ์แล้วก็จำอารมณ์ได้ก็เรียกว่าสัญญาสังขารมานื้คิดปรุงแต่งจิตสเสวยอารมณ์แล้วจ็จิตมาปรุงแต่งอารมณ์ว่าดีว่าชั่วว่าสวยว่างามว่าอะไรต่ออะไร จิต ก, ก็น้อมเหนียวเอาอารมณ์มาเจ็บไว้เป็นสัญญาอารมเอาไว้หมดงานของจิตช่วงนี่จิตเข้าผ่าวังผ่าวังคู่บาทสองสามขณะจิตจิตพักเรียกว่าสมาธิเข้าสมาธิก็ได้เรียกว่าสมาธิธรรมชาติมันมันมันหยุดทำงานเอง มันเป็นสมาธิมันเกิดเองเป็นเองของมันพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าสมาธิธรรมชาติจิตจะเข้าพะวังอยู่สองสามขันธาจิตอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบจิตก็ตื่นออกจากพะวังคู่บัดออกจากธรรมชาติออกมารับอารมณ์ก็เรียกว่าภาวะจิตเกิดพบหนึ่งขันห้าเกิดพบหนึ่ง แล้วก็วิถีจิตจิตทํางานออกรับอารมณ์เรียกว่าวิถีจิตจิตรับอารมณ์สเสวยอารมณ์จําอารมณ์ได้ปูงแต่งอารมณ์น้อมเหนียวเอาอารมณ์ตัดสินอารมณ์น้อมเหนียวเอาอารมณ์มาเก็บไว้ในจิตจิตก็เข้าพักผ่อนอีกวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจะทํางานอยู่อย่างนี้ร่วมกันกับกาย ตาหูย่างโกลิ้นส่งเข้าไปหรือเขาเรียกว่าจิตเกิดดับหรือเรียกว่าขันห้าเกิดดับพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่จิตเกิดพบหนึ่งก็ว่าขันห้าเกิดพบหนึ่งก็ได้อ่าวิถีจิตคือจิตทํางานจิตหยุดทํางานเรียกว่าพระวังค้าจิตเขาเรียกว่าพระวังคู่บาทอันนี้พระวังมันมีสามอย่างพระวังคู่บาทพระวังจนะระณะ พระวังคู่ปัจเฉทะพร ะ, ะวังคู่บาทเนี่ยก็เท่ากับขณิกาสมาธิพระวังจรณะก็เท่ากับอุปจรณสมาธิพระวังคู่ปัจเฉทะก็เรียกว่าพระวังใหญ่เท่ากับอัปปนาชานัมานาสมาธิพอเข้าใจบ้างไหมเออเอาขอเข้าใจจิตจะทํางานอยู่อย่างนี้แหละพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อยู่อ้าเอานี่แหละจิตทํางาน ถ้าเราทิ้งพบอันนี้ได้อารมณ์ของจิตนั่นเรียกว่าพบพ บ, พบเปรียบเสมือนเนื้อนาจิตไปยึดอารมณ์อะไรเช่นตัวอย่างมาังมันวิกามาเห็นสีของใครนะพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศนเดะไปจำอารมณ์ได้ตอนใจจะขาดไปเสพสันทวะกับสุนัขตัวปวด จิตใจดีกว่าสามีเจ้าของพอใจจะขาดนางทำบุญทำทานมามากต่อมากอารมณ์คือภพของจิตอารมณ์เปรียบเสมือนเนื้อนาจิตของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชหวานลงไปให้หนา้หนาอะไรละ่ะหน้าที่กำลังคิดถึงเสพกับมาอยู่ท่านจึงจิตของท่านจิงไป เกิดอยู่พบนั้นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปตอยู่พระเจ้าปัดเซ็นที่โกศลมาถามบ ว, ว่าเดีวพระนางไปไหนพระพุทธองค์ก็ไม่อยากพูดพพูดบายเบียงไปเพราะว่าไปเสวยพบอยู่นี่คงไม่นานบากตัวนี้แหละอารมณ์เนี่ยคือพบ พบเปลี่ยนเสมือเนื้อนาใจจะขาดระวังดีๆอย่านึกไปถึงสิ่งไม่ดีถ้ากลัวมันจะนึกไปไม่ดีกว่าพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆไอจิตสุดท้อ่าจิตสุดท้า ย, ายไม่ให้ไปเสีบกับของต่ําได้นี่ละจิตมันทํางาน จ, ดดจิตดับจิตดับจุดนั้นแหละนะั่นอารมณ์คือพบของจิตพบเปลี่ยนเสมือนเนื้อนาจิต เปรียบเส ม, มือนมเมล็ดพืชหวานไปใส่หน้าเลยล่ะหน้าหมาติก <c ười> ิดเกิดเสื้อชัดน้โลเอาเข้าใจนะเข้า <ๆ S 1> ใจนะเอาเอาอะไรตเนี่ยมีอะไรอีกไมหมล่ะขันห้าเกิดดับเนี่ยเข้าใจนะรู้จักขันห้าแล้วเนาะแมวเราโยมแมวเนาเมตตาสงสารอยากให้รู้จักขันห้ามันเกิดมันดับจิตเกิดจิตดับก็เหมือนกัน วัฏฏะสงสารหมุนโยงเนี่ยเวียนไหวใจเกิดอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งคันห้าเกิดคันห้าเกิดดับเกิดดับโยงเนี้วัฏฏะสงสารพระนิพพานคื อ, อยังไงพระโยคานดับวัฏฏะสงสารได้จึงเห็นพระนิพพานคือดับคันห้าได้เข้าใจไหมดับความเวียนไหวใจเกิดได้ขันห้ามันบงังพระนิพพานเอาไว้หมุนอยู่ตลอด เมื่อเรารู้เท่าทันว่าขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันเกิดเองหมุนเองอยู่นี่ดับขันห้าได้เราก็เห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาเจโตวิมุตตหลุดพ้นจากขันห้าตอนเข้าสมาธิหรือออกจากสมาธิอุพัโตภาควิมุตตเป็นภาลังหันขึ้นมาทันทีเออ น, น, น, น, นั่นแหละ ม, มันไม่มีสาระเกี่ยนสารมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองหรือภาษาบาลีเรียกว่าตัทะตาเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั้นเองไม่มีสาระแก่นสารไม่มีตัวตนสัตบุคคลเกิดดับมันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นมันเองไม่มีใครไปอุปทานเอาทุกข์ไม่มีใครแบกเอาทุกข์ก็ทำที่สุดเหงทุกข์ได้ เข้าใจนะอย่าไปโง่ไปนั้นนี่มนมาแล้วตั้งใจม า, สาสเออเอาแล้วเนาะเอาพอคืนนี้ตีเท่าไหรล่ล่ะตื่นมาอีกตีสี่มารวมกันอีกนะอยากให้พรอีกรับพรนะให้พ ร, ร, พรนะพรยพวกเราทีนึงยะทาวริวหาภูละปริปเลนตีสัาขลัง เอวะเมวะอโตดิน an ังเปตานังอุปกปติอิจิตังปาิตังตุมหังจิปะเมวะสมิชตูสับเบบรันตูสังก p ปาจันทอปนารโสยะธามาณิชติลาโสยทาเววสันตูสัพพะโลกวีนะสะโต มาแต่ภวัตวันตรายโยสุขเทฎาอยู่ก่ภาวะอาพิวาทนาเสิเลียสานิจังวทฏปัจายนอจัตตาโลธรรมาวะตันเิอายุวันนสุขังมาลางภาวัตตุสาปมังลังหลักขันตุสาประเดวตา สัพพะบทธาโนภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสัพมังคาลังลักขันตุสัพเดวตาสาพพะธมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวตุสัพมังคาลังลักขันตุสัพเดวตา สาบาสังคาหนพาเวนาสดาสอเตพาวันตัวเต้ไม่รู้จากขั้นห้าเกิดดับไม่รู้จากทุกข์ฮะวันนี้รู้แล้วเนา ะ, อ, ะอ่านอ่านก็ไม่รู้ไม่เหมือนกับฟังสดอย่างนี้ลองตาดีใจมากที่ พคณะลูกศิษย์ลูกหาอ้ารับรู้ก็เรารู้รู้จากขันห้าเกิดดับดขันห้าเนี่ยมันบังพระนิพพานเอาไว้มันเกิดดับอยู่ยนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับมดใตคขอบดงสุดเป็นไหมขันนี้เกิดขันใหม่เกิดขันนี้เกิดขันนี้ดับขันใหม่เกิดขันนั้นดับพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่อยู่ มีคนไปทูลถามพระพุทธองค์ว่านิพพานคือยังไงพระเจ้าค่านิพพานแปลว่าดับสนิทคนไปถามก็เอดับอะไรสนิทนาะก็เลยถามว่าดับอะไรสนิทพระเโยค่าดับยังไงดับอะไรสนิทดับวัฏจัสงสารความเวียนว่ายใจเกิดของขันห้า ขันห้ามันเกิดยังไงมันก็เกิดกับดับพร้อมกันเป็นสันตติอยู่ตลอดวันเมื่อใครมารู้เท่าทันขันห้าว่าขันห้าไม่มีตัวตนสัตบุคคลไม่มีสไลก์แกนสารมันเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นเราก็ดับขันห้าได้เออเอา ไม่มีอะไรนะเทเนี่ยจะขึ้นไปพักเลยเทเนี่ อ, าอากาบเลยไม่ต้องว่าละหังสว่าคาโตดอกทางไฟพระสายป่าไม่ไม่เอาอย่างนั้นวัดทางสายบันแล้วก็ลาหังสมาแล้วก็กาบท่านเบื่อแล้ว ม, มันว่าบ่อยแล้วกาบพุทโธธโมสังโฆแล้วก็เสร็จเท่านั่นแหละ ก็อันเดียวกันนั่นแหละอลไรหังสมมาสว่าค้าโตก็อันเดียวกันนั่นแต่มันเสียเวลา ก, นนะกาหนึ่งการไม่การก่อน <c oughs> น้อมอกพุทธโธเข้าไปไว้พุทธโธธรรมโมสังโฆเพื่อไม่ให้ลืมบางทีสติไม่พอการสี่ครั้งห้าครั้งก็มีมันลืม <c oughs> <c oughs> ถ้าว่าพุทธโธ ทำโมสังโฆเนี่ยจะไม่ค่อยลืมว่าในใจนะน้อมเอาพุทธโธทำโมสังโฆไปไว้ในใจของพุทธโธทำโมสังโฆมันจะง่ายขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กลาบพ่อกล่าวแม่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์อีกนั่นได้หมดนั่นล่ะไม่เป็นไรกล่าวร้ายก็ไม่เป็นไรเอ้า ไปพวกเราไปพักที่นี่ให้ปล่อยให้ทั้ง